สองวัตติวานหนึ่งอุปาทวานหนึ่งปัจจุป น, นาวานอนุโลมบุคคลจากขุณสี่มูลกนัยนึอยอนุโลมปุจฉาจากขุณสี่ของบุคคลใดกำลังเกิดโสตินสของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิเศษชนาบุคคลผู้มีจะกกูเกิดได้โสตะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติ จากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่โสตินศีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจากขู่และโสตเกิดได้กําลังอุบัติจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและโสตินศีก็กําลังเกิดปฏิโรมปุชชาโสตินศีของบุคคลใดกําลังเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีโสตเกิดได้จากขู่เกิดไม่ได้กําลังอุบัติ โสตินรียของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่จักขคุณรีไม่ใช่ solo, กําลังเกิดบุคคลผู้มีโสตะและจักขู่เกิดได้กําลังอุบัติโสตินทรีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่จักขคุณรีก็กําลังเกิดอนุโลมปุญชาจักขคุณรีของบุคคลใดกําลังเกิดคาณินรียของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้มีจักขู่เกิดได้คาณะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติ จากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่คานินทรียไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักรคู่และคาณะเกิดได้กำลังอุบัติจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและค า, านินทรียก็กำลังเกิดปฏิโดมผุจฉาคานินทรีของบุคคลใดกำลังเกิดจากขุนรีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้มีคานะเกิดได้จกักขรเกิดไม่ได้กำลังอุบัติ คานินรีขมุกคนเหล่านั้นกําลังเกิดแต่จากขุนรีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีคานะและจากขู่เกิดได้กําลังอุบัติคานินทรีขมุกคนเหล่านั้นกําลังเกิดและจากขุนรีก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาจากขุนศีขมุกคนใดกําลังเกิดอิทธินรีขบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีจากขู่เกิดได้อิทธิเกิดไม่ได้กําลังอุบัติ จากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่อิทธินศีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจากขูและอิทธิเกิดได้กำลังบุบัติจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและอิทธินศีก็กำลังเกิดปฏิโดมปุจฉาอิทธินศีของบุคคลใดกำลังเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้จากขู่เกิดไม่ได้กำลังบุบัติอิทธินศีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิด แต่จากขุนศีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีอิถีและจากครูเกิดได้กำลังอุบัติอิทธิศีองบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและจากขุนศีก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาจากขุนศีของบุคคลใดกำลังเกิดปุริสินรีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้มีจากครูเกิดได้ปุริศเกิดไม่ได้กำลังอุบัติจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่ปุริสินรีไม่ใช่กำลังเกิด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 บุคคลผู้มีปุริสาและจักขู่เกิดได้กำลังอุบัติปุริสินสีของมุคลเหล่านั้นกำลังเกิดและจักขุนสีก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักขุนสีของบุคคลใดกำลังเกิดชีวิตินทสีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาชีวิตินทสีของบุคคลใดกำลังเกิดจักขุนสีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนา บุคคลผู้มีจักรูเกิดไม่ได้กําลังอุบัติชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่จักขุนทีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจักรูเกิดได้กําลังอุบัติชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและจักขุนทีก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักขุนทีของบุคคลใดกําลังเกิดโสมนัสสินทรีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดวิจัชนาบุคคลผู้มีจักรูเกิดได้จะมี Tuesday, จิตปราศจากโสมนัตกำลังอุบัติจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่โสมนัตสินศีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักรู้เกิดได้และมีจิตเป็นโสมนัตกำลังอุบัติจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและโสมนัตสินศีก็กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉาโสมณัตสิ looking. นศีของบุคคลใดกำลังเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉา จะคุณสีของบุคคลใดกําลังเกิดอุเบกขินสีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมพิจัชณาบุคคลผู้มีจักรคูเกิดได้แต่มีจิตปราศจากอุเบกขากําลังเกิดวิจัชณาบุคคลผู้มีจักรคูเกิดได้แต่มีจิตปราศจากอุเบกขากําลังอุบัติจักคุนสีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่อุเบกขินสีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจักรคูเกิดได้และมีจิตเป็นอุเบกขากําลังอุบัติ จากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดได้อุเปกขินรีก็กําลังเกิดปฏิโลมปุจฉาอุเปกขินรีของบุคคลใดกําลังเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีจิตเป็นอุเบขาแต่จากขู่เกิดไม่ได้กําลังอุบัติอุเปกขินรีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่จากขุนศีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจิตเป็นอุเบขาและมีจากขู่เกิดได้กําลังอุบัติ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 สเสหตุกะกำลังอุบัติจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้กก น, น, กกก น, นกำลังเกิดและสัตทินรียก็กำลังเกิดปฏิโดมปุชชาสัตทินรียของบุคคลใดกำลังเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้เป็นสเสหตุกะแต่มีจกักรเกิดไม่ได้กำลังอุบัติสัตทินรีของบุคคลเหล่านัน้นกำลังเกิดแต่จากขุนศีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีเสหตุกะและมีจกักรเกิดได้กำลังอุบัติ สัตทินรีขุมพลเหล่านั้นกําลังเกิดได้จากขุนสีก็กําลังเกิดอนุโลมปุชชาจากขุนสีของบุคพลใดกําลังเกิดปัญญรีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีจะขู่เกิดได้แต่เป็นญาณวิปประยุทธ์กำลังอุบัติจากขุนสีขุมพลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่ปัญญรียไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจะขู่เกิดได้และเป็นยาณสัมประยุทธ์กำลังอุบัติ จากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและปัญญิีศีก็กําลังเกิดปฏิโลมปุจฉาปัญญีศีของมบุคคลใดกําลังเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้เป็นญาณสามประยุทธ์แต่มีจักรู้เกิดไม่ได้กําลังอุบัติปัญญิีศีข้ามบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่จากขุนศีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้เป็นญาณสามประยุทธ์จะมีจักรู้เกิดได้กําลังอุบัติ มนินทรีย์ของบุคคลนั้นกําลังเกิดได้จากขุนศีก็กําลังเกิดอนุโลมปุชชาจากขุนศีของบุคคลใดกําลังเกิดมนินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ก <pos ําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชชามนินทรีย์ของบุคคลใดกําลังเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีจิตเกิดได้จากครูเกิดไม่ได้กําลังอุบัติ มนินรียกับบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่จากขุนรีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจกักรกเกิดได้กําลังอุบัติมนินรีกัมบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดได้จากขุนรีก็กําลังเกิดจากขุนรีมูลกันในจบคานินทรีมูลกันในหนอยแปดอนุโลมปุชชาคานินรีขับบุคคลใดกําลังเกิดอิทินทรียของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนา บุคคลผู้มีคานะเกิดได้อิทธิเกิดไม่ได้กำลังอุบัติคานินทรียของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่อิทธินรียไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคานะและอิทธิเกิดได้กำลังอุบัติคานินทรียของบุคคลล่านั้นกำลังเกิดและอิทธินทรียก็กำลังเกิดปฏิโรมปุชชาอิทธินรียของบุคคลใดกำลังเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้ คานาเกิดไม่ได้กำลังอุบัติอิทธินทรีย like ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่คานินทรียไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิและคานาเกิดได้กำลังอุบัติอิทธ like ินทรียของบุคคลนั้นกำลังเกิดและคานิานทรียก็กำลังเกิดอนุโลมปุชชาคานินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีคานะเกิดได้บุริสากเกิดไม่ได้กำลังอุบัติ คานินรีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่ปุริสินรียไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคานะและปุริสาเกิดได้กำลังอุบัติคานินทรีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและปุริสินรียก็กำลังเกิดปฏิโรมปุชชาปุริสินรียของบุคคลใดกำลังเกิดคานินทรียของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้มีปุริสาเกิดได้มาคานาเกิดไม่ได้กำลังอบัติ บริส <T esi> ิน <herman> ส <en> ีของบุคลเนั้นกําลังเกิดแต่คานินสียไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีปุริสาและคาณาเกิดได้กําลังอบัติบุริสินทรีของบุคคลล่นั้นกําลังเกิดและคาณินทรียก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาคานินทรีของบุคคลใดกําลังเกิดชีวิตินทรีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉา ชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดกําลังเกิดคาณินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กําลังอบัติชีวิตินทรียีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่คานินทรีย์ไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กําลังอบัติชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและคาณินทรียีก็กําลังเกิดอนุโลมปุชชา คาณินรียของบุคคลใดกำลังเกิดสโสมนัสสินรีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิเดชนาบุคคลผู้มีคานะเกิดได้จะมีจิตปราศจากโสมนัสกำลังอุบัติคาณินทรียของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่โสมนัสสินรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู ai? Ai ้มีคานะเกิดได้แต่มีจ to enfin ิตเป็นโสมนัสกำลังบัติคานินรียของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและโสมนัสสินรียก็กำลังเกิดปฏิโรมปุชชา โสมนัส si, สินสีของบุคคลใดกำลังเกิดคานินรียของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจติชนาบุคคลผู้มีจิตเป็นโสมนัสแต่คานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติโสมนัสสินสีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่คานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจิตเป็นโสมนัสและมีคานะเกิดได้กำลังอุบัติโสมนัสสินสีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและคานินทรียก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉา คานินรีเขาบุคคลใดกําลังเกิดอุเปกขินร yup ีเขาบุคคลนั้นก็ก hmm. ําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีคานะเกิดได้แต่มีจิตปราศจากอุเบกขากําลังอุบัติคานินทรีเขาบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่อุเปกขินรีย์ไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้ได้มีจิตเป็นอุเบกขากําลังอุบัติคานินทรีเขาบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแด่อุเปกขินรีก็กําลังเกิดปฏิโลมปุชฌา อุเปกินสีของผู้คลใดกำลังเกิดคานอินทรีของผุ้คลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีจิตเป็นอุเบขาและคานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติอุเปกินสีของผู้คลนั้นกําลังเกิดแต่คานอินทรียไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นอุเบขาและมีคานะเกิดได้กําลังอุบัติอุเปกินสีของผู้คลนั้นกําลังเกิดและคานอินทรีย์ก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉา คานินรียกับบุคคลใดกําลังเกิดแต่จินทรียกับบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีคานะเกิดได้เป็นอเหตุกะกําลังอุบัติคานินทรียก ja. ับบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่จทินรียไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้และเป็นสเหตุตุกะกําลังอุบัติคานินสียกับบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและสจตินรียก็กําลังเกิดปฏิโลมปุจชา สัตทินตีข้าบุกคลใดกําลังเกิดคานินตียข้าบุกคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้เป็นสเหตุุกะมีคานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติสัตทินตีข้าบุกคลนั้นกําลังเกิดแต่คานินตียไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้เป็นสเหตุุกะและมีคานะเกิดได้กําลังอุบัติสัตทินรีข้าพุกคนล่านั้นกําลังเกิดและคานินทรียก็กําลังเกิดอนุโลมปุชชาคานินตียข้าพุกคลใดกําลังเกิด ปัญญินทรีขมุขคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมพิจารนาบุคคลผู้มีคานะเกิดได้เป็นญาณวิปปยุทธกําลังอุบัติคานินทรียขมุขคนเหล่านั้นกําลังเกิดแต่ปัญญินรีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้และเป็นญาณสัมปยุทธกําลังอุบัติคานินรียขมุขคนเหล่านั้นกําลังเกิดและปัญญินรียก็กําลังเกิดปฏิโลมปุชชา ปัญญินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิตัชชาบุคคลผู้เป็นญาณสัมปยุทธ์แต่มีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติปัญญินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่คาณินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้เป็นญาณสัมปยุทธ์แตมีคานะเกิดได้กำลังอุบัติปัญญินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและคานินทรีย์ก็กำลังเกิดอนุโลมปุชชา คานินตีของผู้คลใดกําลังเกิดมนินทรียของบุ้คลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจตัญนาใช่ปฏิโลมปุจชามนินทรียของบุคคลใดกําลังเกิดคานินตีของผู้คลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจตัชนาบุคคลผู้มีจิตเกิดได้มานาเกิดไม่ได้กําลังอุบัติมนินตียของบุคคนเหล่านั้นกําลังเกิดแต่คานินตีไม่ใช่กําลังเกิด บุคคลผู้มีคาณาเกิดได้กําลังอุบัดมานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดได้คานินทรีย์ก็กําลังเกิดคานินตริยมูลกนัยจบอิทธินรีมูลกนันึ่งอยแปดอนุโลมปุจฉาอิทธินทรีย์ของบุคคลใดกําลังเกิดปุริสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉา ปุตตินตีของบุคคลใดกําลังเกิดอิทธินทรีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาอิทธินตีของบุคคลใดกําลังเกิดชีวิตินตีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาชีวิตินตีของบุคคลใดกําลังเกิดอิทธินทรียของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนา บุคคลผู้มีอิทธ yup. ิเกิดไม่ได้กําลังอุบัติชีวิตินทรีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่อิทธิินทรียไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กําลังอุบัติชีวิตินทรียของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและอิทธิอิทธินทรีก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาอิทินทรีของบุคคลใดกําลังเกิดโสมณัตอิทธินทรียของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมพิจัรนาบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้แต่มีจิตปราศจากโสมณัตกาลังอุบัติ อิตินรีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่โสมนัสสินรียไม่เท่กําลังเกิดบุคคลผู้มีอิทติเกิดได้และมีจิตเป็นโสมนัสกาลังอุบัติอิตินรีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและโสมนัสสินรียก็กําลังเกิดปฏิโลมปุจฉาโสมนัสสินรียของบุคคลใดกําลังเกิดอิตินรียของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจตชนาบุคคลมีจิตเป็นโสมนัสแต่มีอิทติเกิดไม่ได้กําลังอุบัติ โสมนัสถินทร์สีข้าพภูมิคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่อิทธินทร์สีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นโสมนัตได้มีอิทธิเกิดได้กําลังอุบัติโสมนตัตสินทร์สีข้าพภูคลเหล่านั้นกําลังเกิดและอิทธินทรียีก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาอิทธินทร์สีข้าพภูมิคลใดกําลังเกิดอุเบกขินทร์สีข้าพภูคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจาชนาบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้แต่มีจิตปราศจากอุเบขากําลังอุบัติ อิตถินรีข อ, ง, อ, บ ง, บ ง, อ, อบงบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิด แ, แ, ลแลดต่อุเป LD, กขินรีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้และมีจิตเป็นอุเบกขากําลังอุบัติอิตถินทรีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและอุเปกขินรีก็กําลังเกิดปฏิโรมปุจฉาอุเปกขินรีของบุคคลใดกําลังเกิดอิตถินรีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีจิตอุเปเป็นอุเบกขาแต่อิทธิเกิดไม่ได้กําลังอุบัติ อุเบกินตีข้ามบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่อิทธินรีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นอุเบกขาและมีอิทธิเกิดได้กําลังอุบัติอุเปกขินตีข้ามบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดได้อิทธิก็กําลังเกิดอนุโลมปุชชาอิทธินรีข้ามบุคคลใดกําลังเกิดสัตทินรีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจตันาบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้แต่มีอเหตทุกะกําลังอุบัติ อิทธินตีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่สัตทินตีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้และเป็นสเหตุกะกําลังอุบัติอิทธินตีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและสัตทินตีก็กําลังเกิดปฏิโดมปุชชาสัตทินตีของบุคคลใดกําลังเกิดอิทธินตีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้เป็นสเหตุกะมีอิทธิเกิดไม่ได้กําลังอุบัติ สัตตินรียของบุคคลล่านั้นกําลังเกิดแต่อิทธิินทรียไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้เป็นสเหตุุกะและมีอิทธิเกิดได้กําลังอุบัติสัตตินรียของบุคคลล่านั้นกําลังเกิดและอิทธินทรียก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาอิทธินทรียของบุคคลใดกําลังเกิดปัญญินทรียของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้แต่เป็นญานวิปยุทธกาลังอุบัติ อิทินทรีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่ปัญญินทรียไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้และเป็นยานะสัมปยุตกําลังอุบัติอิตินทรียของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและปัญญินทรียก็กําลังเกิดปฏิโลมปุจฉาปัญญินทรีของบุคคลใดกําลังเกิดอิตินทรีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้เป็นญาณสัมปยุตแต่มีอิทธิเกิดไม่ได้กําลังอุบัติ ปัญินรียีของบุคคลเหล่านั้นก็กําลังเกิดแต่อิทธินทรีย์ไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้เป็นญาณสัมปยุตจะมีอิทธิเกิดได้กําลังอุบัติปัญญีสีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดได้อิทธินรียก็กําลังเกิดอารมณ์ปุจฉาอิทธินทรียของบุคคลใดกําลังเกิดมนิรียีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะใช่ปฏิโลมปุจฉา มณิทรีของบุคคลใดกําลังเกิดอิถินทรียของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีจิตเกิดได้อิทถีเกิดไม่ได้กําลังอุบัติมนิณตียของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่อิถินรียไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีอิทถิเกิดได้กําลังอุบัติมนินทรียของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและอิถิินรียก็กําลังเกิดอิถินตรียมูลกนัยจบปุริสินรีมูล ปุริสินตริยะมูลกนัยหนึอยแปดอนุโลมปุชชาปุริสินตรีของบุคคลใดกำลังเกิดชีวิตินทรียของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโดมปุชชาชีวิตินทรียของบุคคลใดกำลังเกิดปุริสินตรีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้มีปุริจาเกิดไม่ได้กำลังอุบัติ ชีวิตินทรียีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่ปุริสินทรีย์ไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีปุริสาเกิดได้กําลังอุบัติชีวิตินทรียีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและปุริสินทรียีก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาปุริสินทรียีของบุคคลใดกําลังเกิดโสมนัตสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจารนาบุคคลผู้มีปุริสาเกิดได้จะมีจิตปราศจากโสมณัตกําลังอุบัติ ปุริสินตีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่โสมณสินตีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีปุริจาเกิดได้และมีโสมณต์กาลังอุบัติปุริสินตีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและโสมณสินตีก็กําลังเกิดปฏิโลมปุจฉาโสมณสินตีของบุคคลใดกําลังเกิดปุริสินตีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจตชนาบุคคลมีจิตเป็นโสมณต์แต่ปุริจาเกิดไม่ได้กําลังอุบัติ โสมานัตสินรียของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่ปุริสินรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นโสมนัตและมีปุริสาเกิดได้กำลังอุบัติโสมนัตสินรียของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและปุริสินรีกกยก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาปุริสินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดอุเบกินรีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีปุริสาเกิดได้มีจิตปราศจากอุเบขากำลังอุบัติ ปริสินรีของบุคคลเลนั้นกําลังเกิดแต่อุเปกินรีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีปุริสชาเกิดได้และมีจ so <stag> ิตเป็นอุเบขากําลังอุบัตปุริสินสีของบุคคลเลนั้นกําลังเกิดและอุเปกินรีก็กําลังเกิดปฏิโลมปุจฉาอุเปกินรีของบุคคลใดกําลังเกิดปุริสินรียของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลมีจิตเป็นอุเบขา แต่มีปุริจเกิดไม่ได้กําลังอุบัติอุปเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่ปุริสินสีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นอุเบขาและปุริมีปุริจเกิดได้กําลังอุบัติอุปปเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและปุริสินสีก็กํากลังเกิดอนุโลมปุจฉาปุริสินสีของบุคคลใดกําลังเกิดตัดทินสีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมพิจัชนาะ บุคคลผู้มีปุริจาเกิดได้จะเป็นอเหตุุกะกำลังบัติปุริสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่สัตทินตีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีปุริจาเกิดได้และเป็นอเหตุุกะกำลังอุบัติปุริสินรียของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและสัตทินรียก็กำลังเกิดปฏิโดมปุจฉาสัตทินรีของบุคคลใดกำลังเกิดปุริสินทรีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนา บุคคลผู้เป็นเหเหตุกกาแต่มีปุริจจะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติสัตตินรีของบุคคลนั้นกำลังเกิดแต่ปุริสินทรียไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้เป็นเหเหตุกกาและมีปุริจจะเกิดได้กำลังอุบัติสัตตินทรีกับบุคคลนั้นกำลังเกิดและปุริสินทรียก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาปุริสินทรีของบุคคลใดกำลังเกิดปัญญินทรีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนา บุคคลผู้มีปุริจาศเกิดได้แต่เป็นญานวิปยุทธกำลังอุบัดปุริสินทรียของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่ปัญญินทรียไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีปุริจาศเกิดได้และเป็นญานสัมปยุทธกำลังอุบัดปุริสินทรีย์ของบุคคลล่านั้นกำลังเกิดและปัญญินทรียก็กำลังเกิดปฏิโรมปุจฉาปัญญินทรีของบุคคลใดกำลังเกิดปุริสินทรียของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนา บุคคลผู้เ <aley> ป <and S 2> ็นญาณสามประยุทธ์แต่มีปุริตาเกิดไม่ได้กำลังอุบัติปัญญินรียของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่ปุริสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้เป็นญาณสามปยุทธ์และมีปุริตาเกิดได้กำลังอุบัติปัญญินทรีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและปุริสินทรีย์ก็กำลังกำลังเกิดอนุโลมปุจฉาปุริสินทรียของบุคคลใดกำลังเกิดมัินรีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ ปฏิโดมพุทธิชามนินทรีของบุคคลใดกําลังเกิดปุริสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีจิตเกิดได้ปุริสาเกิดไม่ได้กําลังอุบัติมนินทรียของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่ปุริสินทรียไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีปุริสาเกิดได้กําลังอุบัติมนินทรีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและปุริสินทรีก็กําลังเกิดปุริสินตริยะมูลกนัย จบชีวิตอินทริยมูลกนัยหนึ่อยเก้อนุโลมปุชชาชีวิตินทรี ย, รยร์ของบุคคลใดกําลังเกิดโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมพิจัดชนาะบุคคลมีจิตปราศจากโสมนัสกําลังอุบัติในอุอปปาทขณาแห่งจิตที่วิปปยุตจากโสมนัสในประวัติการชีวิตชีวิตินสี ของบุคเหล่านั้ น, นกำลังเกิดแต่โสมนณตินสีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นโสมณต์กำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สำปยุทธ์ด้วยโสมณต์ในประวัติการชีวิตินทรีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและโสมณตินสีก็กำลังเกิดปฏิโดมปุจฉาโสมณตินสีของบุคคลใดกำลังเกิดชีวิตินทรีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมพิจารนาใช่อนุโลมปุจฉา ชีวิตินสีของบุคคลใดกําลังเกิดอุเปกขินรีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลมีจิตปราศจากอุเบขากําลังอุบัติในอุปาทัศนาแห่งจิตที่วิปทยุจดจากอุเบขาในประวัติการชีวิตินทรียของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่อุเปกขินรีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจิตเป็นอุเบขากําลังอุบัติในอุปาทขศนาแห่งจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยอุเบขาในประวัติการชีวิติน สีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดได้อุเปกินสีก็กําลังเกิดปฏิโดมปุชชาอุเปกินสีของบุคคลใดกําลังเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุชชาชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดกําลังเกิดสัตทินรีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้เป็นอเหตุตุกกะกำลังอุบัติในอุปาทัศนาแห่งจิตที่วิปยุตจาก ศาในประวัต right, ิการชีวิตินทรีก็มุคคุณเล่านั้นก ok so ําลังเกิดแต่ตัดทินทรีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้เป็นสเหตุกกากําลังอุบัติในอุปาทัศนาแห่งจิตที่แสมประยุทธ์ด้วยศรัทธาในประวัติการชีวิตินทรีก็มุคคุณเหล่านั้นกําลังเกิดและตัดทินทรีก็กําลังเกิดปฏิโลมปุจฉาสัตทินทรีก็บุคคลใดกําลังเกิดชีวิตทินทรีก็มุคคุนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ อนุโลมปุจฉาชีวิตินทร์สีของบุคคลใดกำลังเกิดปัญญินทร์สีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้เป็นญานวิปยุทธกำลังอุบัติในอุปาทัศนาแห่งจิตที่วิปยุทธจากยานในประวัติการชีวิตินทร์สีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่ปัญญินทร์สีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้เป็นญาณสัมปยุทธกำลังอุบัติในอุปาทัศนาแห่งจิตที่สัมปยุทธด้วยยานในประวัติการ ชีวิตินทรีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและปัญญินทรีก็กําลังเกิดปฏิโรมปุจฉาปัญญินทรีของบุคคลใดกําลังเกิดชีวิตินทรีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาชีวิตินทรีของบุคคลใดกําลังเกิดมณินทรีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กําลังอุบัติชีวิตินทรีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่มนินทรีไม่ใช่กําลังเกิด บุคคลผู้มีจิตเกิดได้กําลังอุบัติในอุปาทาัศนาแห่งจิตในประวัติการชีวิตินทรีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและมณีตรียก็กําลังเกิดปฏิโลมปุจชามนินตรีของบุคคลใดกําลังเกิดชีวิตินทรีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนาใช่ชีวิตินทรียมูลกนาฏจบโสมนัสินทรียมูลกนานึย19 191 อนุโลมปุจฉาโสมณสินรีของบุคคลใดกําลังเกิดอุเปกินสีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาอุเปกินสีของบุคคลใดกําลังเกิดโสมณสินรีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาโสมณสินรีของบุคคลใดกําลังเกิดสัดินทรียของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนา ในองค์เทพบุคคลมีจิตเป็นโสมนัตเป็นอาเหตุุกกะกำลังอุบัต mm. ิในอ IL ุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยโสมณัตแต่วิปรยุทธ์จากศรัทธาในประวัติการโสมนัตสินตีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่สัตตินทรียไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นโสมณัตกำลังอุบัติในอุปาทัศนาแห่งจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยโสมนัตและศรัทธาในประวัติการโสมณัตสินตีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและสัตตินรียก็กำลังเกิด ปฏิโรปุจฉาสัตถินรีของบุคคลใดกําลังเกิดโสมนัสสินรีย์ของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจาชนาะบุคคลผู้เป็นเหตุกาแต่มีจิตปราศจากโสมนัสกาลังอุบัติในอุปาทขณาแห่งจิตที่สัมประยุทธ์ได้ศรัทธาแต่วิประยุทธ์จากโสมนัสในประวัติการสัตถินรียของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่โสมนัสสินทรียไม่ใช่กําลังเกิด บุคคลผู้มีจิตเป็นโสมนัสกำลังอุบัติในอุปาทัศนาแห่งจิตทีสต่สัมปยุตได้ศรัทธาและโสมนัสในประวัติการสัตตินทรีเของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและโสมนัสสินทรีย ก, ก็กำลังเกิดอนุโลมปุชชาโสมนัสสินรีเขงบุคคลใดกำลังเกิดปัญญรีเของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลมีจิตเป็นโสมนัสเป็นญาณวิปยุตกำลังอุบัติ นายุปาทขศนาแห่งจิตที่สัมปยุตได้วยโสมนัสที่วิปยุตจากโสมนัสในประวัติการโสมนัสสินสีของมุคคลเนั้นกำลังเกิดแต่ปัญญินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นโสมนัสและเป็นญาณสัมปยุตกำลังอุบัตินายุปาทัศนาแห่งจิตที่สัมปยุตได้วยโสมนัสและญาญญาณในประวัติการโสมนัสสินสีของมุคคลเนั้นกำลังเกิดและปัญญินรียก็กำลังเกิด ปฏ right, like ิโดมปุชชาปัญญ <men> ินทรีของพลคลใดกําลังเกิดโสมานสินทรีย์ขุมพลคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิตัิชนาบุคคลผู้สัมปยุทธ์ด้วยญาณซึ่งกำลังอุบัติด้วยจิตป่าสจากโสมานต์ในอุปาทัศนาแห่งจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยญาณวิปยุทธจากโสมานต์ในประวัติการปัญญิรีขุมพลคนเหล่านั้นกําลังเกิดแต่โสมานตินรีย์ไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้สัมปยุทธ์ด้วยญาณซึ่งกําลังอุบัติด้วยจิตที่เป็นโสมนั์ นายุปาทันาแห่งจิตที่สัมปยุตไิยานละโสมนัสในประวัติการปัญญีสีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและโสมนสัสสินทรีย์ก็กําลังเกิดอนุโลมปุชชาโสมนสัสสินทรียของบุคคลใดกําลังเกิดมนินรีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชชามนินทรียของบุคคลใดกําลังเกิดโสมนสัสสินรีย์ของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนา บุคคลผู้มีจิตเกิดได้แต่มีจิตป่าสจากโสมนัตกำลังเกิดในอุปาทขศนาแห่งจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยโสมนัตในประวัติการมนนิทรียีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่โสมนัตสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นโสมนัตกำลังอุบัตในอุปาทขศนแห่งจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยโสมนัตในประวัติการมนนิทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและโสมนัตสินทรีย์ก็กำลังเกิด โซมานตินทรีย์มูลกานา伊จบอุเปกินทรีย์มูลกานานึ่งอยเก้อนุโลมปุจฉาอุเปกินสีของบุคคลใดกำลังเกิดสัตตินสีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนาบุคคลมีจิตเป็นอุเบกขาและเป็นอเหตุกะกำลังอุบัติในอุปาทขณาแห่งจิตที่สัมประยุทธ์ ด, ด้วยอุเบกขาแต่วิปยุทธจากศรัทธานในประวัติการ อุเปกินสีของบุคคนเหล่านั้นกําลังเกิดแต่สัตตินรียไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นอุเบขาและเป็นสเสหตุกะกําลังอุบัติในอุปาทขณาแห่งจิตที่ัำประโยชน์ ด, ด้วยเบขาและศตธาในประวัติการอุเปกินสีของบุ้คนเหล่านั้นกําลังเกิดและสัตทินรียก็กําลังเกิดปฏิโดมปุจฉาสัตตินทรียของบุคคลใดกําลังเกิดอุเปกินสีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะ บุคคลผู้เป็นเหตุตุกกะจะมีจิตปัจฌาอุเบกขากำลังอุบัติในอุปาทขคณะแห่งจิตที่สัมปยุตได้ศรัทธาแต่วิปยุตจากอุเบกขาในประวัติการสัตทินสีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่อุเบกินรีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้เป็นเหตุตุกะและมีจิตเป็นอุเบกขากำลังอุบัติในอุปาทขคณะแห่งจิตที่สัมปยุตได้ศรัทธาและอุเบกขาในประวัติการ สัตทินรียของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดได้อุเปกินรีก็กําลังเกิดอนุโลมปุชชาอุเปกินสีของบุคคลใดกําลังเกิดปัญญรียของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลมีจิตเป็นอุเบขาแต่เป็นยานวิปยุตกําลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุต ด, ด้วยอุเบขาแต่วิปยุตจากยานในปวัตติการอุเปกินรีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิด ปัญญินทรีย์ไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นอุเบกขาและเป็นญานสัมปยุตยกําลังอุบัติในอุปาทัศนาแห่งจิตที่สัมปยุตยด้วยอุเบกขาและยานในประวัติการอุเปกินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและปัญญินทรีย์ก็กําลังเกิดปฏิโลมปุจฉาปัญญินทรีย์ของบุคคลใดกําลังเกิดอุเปกินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะ บุคคลผู้เป็นญาณสัมปยุทธ์แต่มีจิตรปราศจากอุเบกขากำลังอุบัติในอุปาทัศนาแห่งจิตที่สัมประยุทธ์ได้ญาณแต่วิประยุทธ์จากอุเบกขาในประวัติการปัญญีสีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่อุเบกขินรีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้เป็นญาณสัมปยุทธ์แตมีจิตเป็นอุเบกขากำลังอุบัติในอุปาทัศนาแห่งจิตที่สัมประยุทธ์ได้ญาณและอุเบกขาในประวัติการ ปัญินทรีย์เขาบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดได้อุเปกขินทรีก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาอุเปขินทรีย์เขาบุคคลใดกําลังเกิดมณินทรีย์เขาบุคคลนั้นก็กําล <Karere> <ated> ังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์เขาบุคคลใดกําลังเกิดอุเปกขินทรีย์เขบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลมีจิตเกิดได้แต่มีจิตปราศจากอุเบกขาแต่กําลังอุบัติ ในอุปาทัศนาแห่งจิตที่วิทยุจจากอุเบขาในประวัติการมนินทรียีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่อุเบกินรีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นอุเบขากำลังอุบัติในอุปาทขศนาแห่งจิตที่สัมปยุจด้วยอุเบขาในประวัติการมนินทรียีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและอุเบกินรีก็กำลังเกิดอุเบกินทริยะมูลกนัยจบ สัตทินตรียาโมลกไนัยเก้อนุโลมปุชชาสัตทินตีของบุคคลใดกําลังเกิดปัญญรีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลผู้เป็นสเหตุุกับเป็นญาณวิปยุตกําลังอบัดในอุปาทขศนาแห่งจิตที่สามยุต ด, ด้วยศรัทธาแต่วิปยุตจากยานในประวัติการสัตทินตีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่ปัญญรีไม่ใช่กําลังเกิด บุคคลผู้เป็นเหตุตุกตาและเป็นญาณสัมปยุตกำลังอุบัติในอุปาทัณะแห่งจิตที่สัมปยุตได้ศรัทธาและญาณในประวัติการสัตตินตีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและปัญญินตีก็กำลังเกิดปฏิโลมปุชฌาปัญญินตีของบุคคลใดกำลังเกิดสัตตินตีของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุชฌา สตทินต <singers, người> ีของบุคคลใดกําลังเกิดมนินตีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโดมปุจชามนินตีของบุคคลใดกําลังเกิดสัตทินตีของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้มีจิตเกิดได้แต่เป็นอเหตุุกะกําลังอุบัตในอุปาถขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากศรัทธาในประวัติการมนินตีของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิด แต่สัตทินตีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้เป็นสเหตุุกะกำลังอุบัติในอุปาทขณาแห่งจิตที่สำประยุธาทธ์ด้วยศรัทธาในประวัติการมนินตีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและสัตทินตีก็กำลังเกิดสัตทินตรียะมูลกนยัยจบปัญญตรียะมูลก น, นัยหนึ่อนุโลมปุชฌา ปัญญินทรีย์ของบุคคลใดกำลังเกิดมณินทรีย์ของบุคคลนั้น <diss> ก <im ilar> <Okay. S 1> ็ก <het ilde> <te> ําลังเกิดใช่ไหมพิจัชนาใช่ปฏิโรมปุจชามนินทรีย์ของบุคคลใดกําลังเกิดปัญญินทรีย์ของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจาชนาบุคคลผู้มีจิตเกิดได้จะเป็นญาณวิปยุตกําลังอุบัติในอุปาทัศนาแห่งจิตที่วิปยุตจากยาในประวัติการมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่ปัญญินทรีย์ไม่ใช่กําลังเกิด บุคคลผู้เป็นยานะสัมปยุตกำลังบัตในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุตด้วยยานในประวัติการมนิีตีของมุกคนลเหล่านั้นกำลังเกิดและปัญญีตีก็กำลังเกิดปัญญตริยมูลกนยัยจบ